เมตสูตรว่าด้วยการแผ่เมตตาในสัตว์ทั้งปวงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนพวกภิกษุผู้อยู่ป่าว่ากิจนั้นใดอันพระอริยบรรลุตรอันสงบธรรมแล้วกิจนั้นอันกุลบุตรผู้ฉลาดพึงทำกุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อานหารตรงและตรงด้วยดี พึงเป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยนไม่มีอัติมาณะพึงเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายเป็นผู้มีกิจน้อยประพฤติเบากายจิตพึงเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีปัญญารักษาตัวเป็นผู้ไม่ขนองไม่ติดในสกุลทั้งหลายวินยูชนติดเตียนชนทั้งหลายอื่นได้ด้วยกรรมลามกอันใด ก็ไม่พึงประพฤติกรรมอลามกนั้นพึงแผ่ไมตรีจิตไปในหมู่สัตว์ว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเราได้เหล่าหนึ่งมีอยู่ยังเป็นผู้สะดุ้งคือมีตันหาหรือเป็นผู้มั่นคงไม่มีตันหาทั้งหมดไม่เหลือเลย เหล่าใดยาวหรือใหญ่ปานกลางหรือสั้นหอมหรืออ้วนเหล่าใดที่เราเห็นแล้วหรือมิได้เห็นเหล่าใดอยู่ในที่ไกลหรือไม่ไกลที่เกิดแล้วหรือที่แสวงหาพบเกิดขอสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดสัตว์อื่นไม่พึงข่มเหงสัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นอะไรอะไรเขาไม่ว่าในที่ไรไเลย ไม่พึงปรารถนาทุกแก่กันและกันเพราะความคริ้วโกรธและเพราะความคุมแค้นมารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยชีวิตฉันใดพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง เป็นธรรมะอันไม่ขับแค้นไม่มีเวรไม่มีศัตรูผู้เจริญเมตานั้นยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนเพียงใดก็พึงตั้งสตินั้นไว้เพียงนั้นประทั้งหลายเรียกการอยู่น่ว่ากร ม, มวิหารในพระศาสนานี้มีเมตตา ไม่เข้าถึงทิฏฐิคือสักยะทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยทัศนะคือสัมมาทิฏฐิในโสดาปติมักนำความหมกมุ่นในการทั้งหลายออกไปได้ก็ยอมไม่เข้าถึงการนอนในการอีโดยแท้แลจบเมตสูตรอัถกถาคุตกนิกายคุตกปาทะกรณียเมตสูตรในคุตกะปาทะ อธถกฐาเมตสูตรประโยชน์ของการตั้งสูตรบัดนี้ถึงลำดับการพันานาความของเมตสูตรซึ่งยกตั้งไว้ในลำดับต่อจากนิธิกันทสูตรในที่นี้ข้าพเจ้าจะกล่าวประโยชน์ของการตั้งเมตสูตรนั้นแล้วต่อจากนั้นพึงทราบการชี้แจงบทเหล่านี้ว่าเมตสูตรนั้นผู้ใดกล่าวกล่าวเมื่อใดกล่าวที่ใด และกล่าวเพราะเหตุใดชมระนิทานแล้วจึงจะทำการพันานาความของเมตสูตรนั้นในเมตสูตรนั้นเพราะเหตุที่ตรัสบุญยสัมปทามีทานศีลเป็นต้นด้วยนิทิการทสูรเมื่อบุคคลทาเมตตาในสัตว์ทั้งหลายบุญยสัมปทานนั้นย่อมมีผลมากจนถึงสามารถให้บรรลุพุทธภูมิได้ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงยกเมตตาสูตรขึ้นตั้งในที่นี้เพื่อแสดงว่าเมตตาเป็นอุปการะแก่บุญยสัมปทานนั้นหรือเพราะเหตุที่ข้าพเจ้าครั้นแสดงกรรมฐานอันสามารถละราคะด้วยทวติงสาการสำหรับชนทั้งหลายผู้นับถือพระศาสนาด้วยสารณะแล้วตั้งอยู่ในศีลด้วยสิกขาบททั้งหลายและสามารถละโมหะด้วยกุมารับปัญหา จึงแสดงว่าความประพฤติสารณะเป็นต้นนั้นเป็นมงคลและรักษาตนเองด้วยมงคลละสูตรแสดงการรักษาผู้อื่นอันเหมาะแก่มงคลนั้นด้วยรัตนสูตรแสดงการเห็นพูดบางพวกในบรรดาพูดทั้งหลายที่กล่าวไว้ในรัตนสูตรและความวิบัติของเหล่าชนที่ประมาทในบุญยสมบัติดังที่กล่าวแล้วด้วยติโรขุทสูตร และแสดงสมบัติอันเป็นปฏิปักษ์ต่อวิบัติที่กล่าวไว้ในติโรกุตสูตรด้วยนิธิกันทัสูตรแต่ยังไม่ได้แสดงกรรมฐานที่สามารถละโทสะฉะนั้นเพื่อแสดงกรรมฐานอันสามารถละโทสะนั้นข้าพเจ้าจึงยกเมตสูตรนี้ขึ้นตั้งในที่นี้เมื่อเป็นดังนี้คุตกะปาถะจึงย่อมจะบริบูรณ์ด้วยดี ข้อที่กล่าวมาดังนี้เป็นประโยชน์แห่งการตั้งเมตสูตรนั้นไว้ในที่นี้การชำระนิทานบัดนี้ข้าพเจ้ายกมาติกาหัวข้อนี้ใดไว้ว่าพึงทราบการชี้แจงบทเหล่านี้ว่าเมตสูตรนี้ผู้ใดกล่าวกล่าวเมื่อใดกล่าวที่ใดและกล่าวเพราะเหตุใดข้าพเจ้าจะชำระนิทานแล้ว จึงจะทําการพรรณนาความแห่งเมตสูตรนั้นดังนี้ในมติกาหัวข้อนั้นพึงทราบการชี้แจงบทเหล่านี้และการชําระนิทานโดยสังเขปอย่างนี้ก่อนว่าเมตตสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เดียวตรัสพระสาวกเป็นต้นมิได้กล่าวก็แต่ว่าเมื่อใดภิกษุทั้งหลายถูกเทวดาทั้งหลายรบกวนข้างภูเขาหิมะวัน จึงพากันมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเมตสูตรนั้นเพื่อป้องกันและเพื่อเป็นกรรมฐานสำหรับภิกษุเหล่านั้นส่วนโดยพิสดารพึงทราบอย่างนี้สมัยหนึ่งใกล้ดิถีเข้าจพาพรรษาพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุทั้งหลาย จากชาวเมืองต่างๆจํานวนมากรับกรรมฐานในสํานักพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประสงค์จะเข้าจําพรรษาในที่นั้นๆจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ยินว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกรรมฐานทั้งหลายที่อนุกูลแกจ่จริตจํานวนแปดหมพันประเภทโดยในยะนี้คืออสุภกรรมฐานสิบออย่าง คืออสุภะที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณสำหรับคนราคะจริตกรรมฐานมีเมตตากรรมฐานเป็นต้นสี่อย่างสำหรับคนโทสะจริตกรรมฐานมีมรณสติกรรมฐานเป็นต้นสำหรับคนโมหะจริตกรรมฐานมีอาณาปณาสติและปัตวีกสินเป็นต้นสำหรับคนวิตกจริต กรรมฐานมีพุทธานุสติกรรมฐานเป็นต้นสำหรับคนศรัทธาจริตกรรมฐานมีจตุธาตุววั า, านกรรมฐานเป็นต้นสำหรับคนพุทธิจริตลำดับนั้นภิกษุประมาณห้าร้อยรูปเรียนกรรมฐานในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังสแสวงหาเสนาสนะที่เป็นสัปปายะและโคจราคามเดินไปตามลำดับ ได้พบภูเขาพื้นศิลาคล้ายมณีสีครามประดับด้วยราวป่าสีเขียวมีร่มเงาทึบเย็นมีภูมิภาคเหลืองด้วยทรายเสมเือนแผ่นเงินขายมุกดาล้อมด้วยฉลาไหลที่สะอาดเย็นดีติดเป็นพื้นเดียวกับป่าหิมะวันในปัญจันตประเทศภิกษุเหล่านั้นพักอยู่คืนหนึ่งณที่นั้นเมื่อราตรีรุ่งสว่างทาสรีระกิจแล้ว ก็พากันเข้าไปบินทบาทยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้ๆนั่นเองหมู่บ้านประกอบด้วยตระกูลหนึ่งพันตระกูลซึ่งอาศัยอยู่กันหนาแน่นในหมู่บ้านนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีศรัทธาประสาทะพวกเขาเห็นภิกษุทั้งหลายเท่านั้นก็เกิดปีติโสรมนัดเพราะการเห็นบรรพชิตในปัจจันตะประเทศหาได้ยากนิมนภิกษุเหล่านั้นให้ฉันแล้วก็วอนขอว่าท่านเจ้าค่ะ ขอท่านอยู่ในที่นี้ตลอดไรมากเถิดแล้วช่วยกันสร้างกุฏิสำหรับทำความเพียรห้าร้อยหลังจัดแจงเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างมีเตียงตังหม้อน้ำฉันน้ำใช้เป็นต้นณที่นั้นวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายเข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านตำบลอื่นในหมู่บ้านแม้นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็บารุงอย่างนั้นเหมือนกันออนวอนให้อยู่จพาพรรษา ภิกษุทั้งหลายรับนิมนต์โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อไม่มีอันตรายจึงพากันเข้าไปยังราวปานั้นเป็นผู้ปรารบความเพียรตลอดทั้งกลางวันกลางคืนตีระคังบอกยามเป็นผู้มากด้วยโยนิโสมนสิการอยู่จึงเข้าไปนั่งที่โคนไม้รุกขเทวดาทั้งหลายถูกเดชของหลอาภิกษุผู้มีศีลกาจัดเดชเสียแล้ว ก็ลงมาจากวิมานของตนของตนพาพวกลูกๆที่ยวระหกระเหินไปเปรียบเหมือนเมื่อพระราชาหรือราชามหาอา ม, มาตย์ไปอย่างที่อยู่ของชาวบ้านยึดโอกาสที่ว่าในเรือนทั้งหลายของพวกชาวบ้านพวกชาวบ้านก็ต้องออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นก็ได้แต่มองดูอยู่ไกลๆด้วยหวังว่าเมื่อไรหนอท่านจึงจะไปกันฉันใด เทวดาทั้งหลายต้องละทิ้งวิมานของตนของต น, งตนกระเจิดกระเจิงไปได้แต่มองดูอยู่ไกลๆด้วยหวังว่าเมื่อไรหนอท่านจึงจะไปกันก็ฉันนั้นเหมือนกันแต่นั้นเทวดาทั้งหลายก็ร่วมคิดกันอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเข้าพรรษาแรกแล้วจะอยู่กันตลอดไรมาตแน่แต่พวกเราไม่อาจจะพาพวกเด็กอยู่อย่างระหกระเหินได้นานๆ เอาเถอะพวกเราจะแสดงอารมณ์ที่น่ากลัวแก่ภิกษุทั้งหลายเทวดาเหล่านั้นจึงเนรามิตรรูปยักษ์ที่น่ากลัวยืนอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเวลาภิกษุทั้งหลายทำสมณธรรมตอนกลางคืนและทำเสียงที่น่าหวาดกลัวเพราะเห็นรูปเหล่านั้นและได้ยินเสียงนั้นหัวใจของภิกษุทั้งหลายก็กวัดแกวง่งภิกษุเหล่านั้นมีผิวเผือดและเกิดเป็นโรคผอมเหลือง ด้วยเหตุนั้นภิกษุเหล่านั้นจึงไม่อาจทำจิตให้มีอารมณ์เดียวได้เมื่อจิตไม่มีอารมณ์เดียวสลดใจบ่อยๆเพราะความกลัวสติของภิกษุเหล่านั้นก็หลงเลือนไปแต่นั้นอารมณ์ที่เหม็นๆก็ประจวบแก่ภิกษุเหล่านั้นซึ่งมีสติหลงลืมแล้วมันสมองของภิกษุเหล่านั้นก็เหมือนถูกกลิ่นเหม็นนั้นบีบคั้น โรคปวดศีรษะก็เกิดอย่างหนักภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ยอมบอกเรื่องนั้นแก่กันและกันต่อมาวันหนึ่งเมื่อภิกษุทุกรูปประชุมกันในเวลาบำรุงพระสังฆเถระพระสังฆเถระก็ถามว่าผู้มีอายุเมื่อพวกท่านเข้าไปในราวป่านี้ผิวพรรณดูบริสุทธิ์ผุดพองอย่างเลิกเกินอยู่สองสาวันท้งอินทรีย์ก็ผ่องใสแต่บัดนี้ในที่นี้ พวกท่านสู้ผอมผิวเผือดเป็นโรคผอมเหลืองในที่นี้พวกเธอไม่มีส ป, ปาย่ารือลำดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งกล่าวว่าท่านขอรับตอนกลางคืนกระผมเห็นและได้ยินอารมณ์ที่น่ากลัวอย่างเนี้ยอย่างนี้สูดแตกลินเช่นนี้ด้วยเหตุนั้นจิตของกระผมจึงไม่ตั้งมั่นในสมาธิภิกษุเหล่านั้นทุกรูปจึงพากันบอกเรื่องนั้นโดยอุบายนี้เหมือนกัน พระสังฆเถระกล่าวว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติการเข้าจําพรรษาไว้สองอย่างก็เสนาสนานี้ไม่เป็นสัพเพยะแก่พวกเรามาเถอะผู้มีอายุพวกเราจะพา ก, กันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามถึงเสนาสนที่เป็นสัปญายะอื่นๆภิกษุเหล่านั้นรับคำพระเถระว่าดีเราขอรับทุกรูปก็เก็บงามเสนาสนะ ถือบาดจีวรไม่บอกกล่าวใครๆในตระกูลทั้งหลายพากันเจ้าริกไปทางกรุงสาวัตถีก็ถึงกรุงสาวัตถีตามลำดับแล้วก็พากันเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าภิกษุไม่พึงเที่ยวเจ้าริกไปภายในพรรษา เหตุไรพวกเธอยังจาริกกันอยู่เล่าภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลเรื่องทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนึกก็ไม่ทรงเห็นเสนาสนะที่เป็นสัพพยาอื่นสําหรับภิกษุเหล่านั้นทั่วชมพูทวีปโดยที่สุดแม้แต่เพียงตังมีสี่เท้าดังนี้จึงตรัสบอกภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เสนาสนะที่เป็นสับปายะอื่นสำหรับพวกเธอไม่มีหรอกพวกเธออยู่ในที่นั้นนั่นแหละจากบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะไปเถอะภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าไปอาศัยเศนาสนะนั้นนั่นแหละอยู่กันเถิดแต่ถ้าว่าพวกเธอปรารถนาความไม่มีภัยจากเทวดาทั้งหลายก็จงพากันเรียนพระปรริตรนี้ด้วยว่าพระปรริตรนี้จะเป็นเครื่องป้องกัน และจักเป็นกรรมฐานสำหรับพวกเธอดังนี้แล้วจึงตรัสพระสูตรนี้แต่อาจารย์พวกอื่นอีกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสประดารันนี้ว่าไปเถอภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเข้าไปอาศัยเสนาสนะนั้นนั่นแหละอยู่กันเถิดแล้วจึงตรัสว่าอันหนึ่งเล่าภิกษุผู้อยู่ป่าควรรู้จักบริหาร บริหารอย่างไรบริหารอย่างนี้คือแผ่เมตตาสองเวลาคือทำเวลาเย็นและเช้าทำพระปริษสองเวลาเจริญอสุภะสองเวลาเจริญมรณสติสองเวลาและนึกถึงมหาสังเวคาวัตถุ8ปดทั้งสองเวลาชาติจราพยาธิมรณะอบายทุกสี่ ชือมหาสังเวาวัตถุแปดอีกนัยยะหนึ่งชาติคือการเกิดชราพยาธิความเจ็บไข้มรณะชาติชราพยาธิมรณะสอบายทุกเป็นที่ห้าทุกมีวัตตะเป็นมูลในอดีตหนึ่งทุกมีวัตตะเป็นมูลในอนาคตหนึ่งทุกมีการสแสวงอาหารเป็นมูลในปัจจุบันหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงบอกการบริหารอย่างนี้แล้วจึงได้ตรัสพระสูตรนี้เพื่อเป็นเมตตาเพื่อเป็นพระปริศและเพื่อฌานอันเป็นบาตแห่งวิปัสสนาแก่ภิกษุเหล่านั้นพึงทราบการชี้แจงบทเหล่านี้ว่าเยะนะวุตตังยทายะถะยสมาเจและการชำระนิทานด้วยประการชนีมติกาหัวข้อนั้นใดข้าพเจ้าตั้งไว้ว่า เยนะวุตตังยทธายัตยสมาเจเตสะทีปนานิธานังโสทิตวามาติกาหัวข้อนั้นเป็นอันข้าพระเจ้ากล่าวพิสดารแล้วโดยอาการทั้งปวงด้วยกถามีประมาณเพียงนี้พรรณนาค า, าถาที่หนึ่งบันนี้จะเริ่มพรรณนาความแห่งพระสูตรนั้นที่ทำการชำระนิทานแล้วอย่างนี้ เพระข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าจึงจะทำการพันานาความแห่งพระสูตรนั้นดังนี้ในคาถานั้นจะเริ่มพรนานาบทแห่งคาถานี้ว่ากรณียมัถกุสเลนะก่อนดังนี้บทว่ากรณียังแปลว่าพึงทําอธิบายว่าควรแก่การทําปฏิปทาชื่อว่าอัถะ หรือประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนอย่างใดอย่างหนึ่งประโยชน์เกื้อกูลนั้นทั้งหมดท่านเรียกว่าอัฏฐะเพราะไม่มีกิเลสดังคงฆาศึกชื่อว่าอารณียะเพราะอันบุคคลพึงเข้าถึงอันผู้ฉลาดในประโยชน์ชื่อว่าอัฏฐกุศะท่านอธิบายว่าอันผู้เฉียบแหลมในประโยชน์บทว่าอย่างเป็นปัถมาวิพัตแสดงความไม่แน่นอน บทว่าตังเป็นทุติยาวิพัฒแสดงความแน่นอนหรือว่าคำว่ายังตังแมทั้งสองเป็นปฐมาวิพัฒน์คำว่าสันตังประทังเป็นทุติยาวิพัฒน์บรรดาคำทั้งสองนั้นที่ชื่อว่าสันตะเพราะเป็นลักษณะที่มีชื่อว่าปร ะ, ะเพราะอันบุคคลพึงถึงคำนี้เป็นชื่อของพระนิพพาน บทว่าอภิสมีจะแลว่าบรรลุแล้วผู้ใดย่อมอาจเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าสักกะผู้อาจท่านอธิบายว่าผู้สามารถผู้อาจหารบทว่าอุชุได้แก่ผู้ประกอบด้วยความตรงผู้ใดตรงด้วยดีเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าสุหุชูผู้ตรงด้วยดี ความว่าง่ายมีในผู้นั้นเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าสุวโจผู้ว่าง่ายบทว่าอัศะแปล ว, ว่าพึงมีพึงเป็นบทว่ามุทุได้แก่ผู้ประกอบด้วยความอ่อนโยนผู้ใดไม่มีอติมาณนะเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าอนติมานีไม่มีอติมาณนะ ส่วนการพนานาความในคถาที่หนึ่งมีดังนี้จะวินิจฉัยในคำว่าการณียมัทถกุสเลนะยันตังสันตังปัทังอภิสเมจะนิก่อนการณียะก็มีอาการณียะก็มีในสองอย่างนั้นโดยสังเขปสิกขาสามชื่อว่าการณียะศีนวิบัติ ท, ทิวิบัต อาจารวิบัติอาชีววิบัติดังกล่าวมาอย่างนี้เป็นต้นเื่อว่าอาการณียะอันหนึ่งอัทธโกสลก็มีอันนันตะโกสลก็มีในสองอย่างนั้นผู้ใดบวชในพระศาสนานี้ไม่ประกอบตนไว้โดยชอบเป็นผู้มีศีลขาดอาศัยอเนสนาการสแสวงหาที่ไม่สมควรย1ิบเอ็ดอย่างเลี้ยงชีวิต ให้ไม้ไผ่ให้ใบไม้ให้ดอกไม้ให้ผลไม้ให้ไม้จำระฝันให้น้ำล้างหน้าให้อาบน้ำให้ผงทาตัวให้ดินถูตัวประจบพูดจริงปนเท็จเลี้ยงลูกให้เขารับใช้ข้ารือหัดทำตัวเป็นหมอทำตัวเป็นทูตรับส่งข่าวข้ารือหัดให้ข้าวของวางผลตอบแทนแลกเปลี่ยนเป็นหมอดูพื้นที่ เป็นหมอดูเรคเป็นหมอดูลักษณะทั้งยี่สิบเอ็ดข้อนี้คือการสแสวงหาที่ไม่สมควรด้วยการเลี้ยงชีวิตอย่างไม่สมควรและประพฤติอโคโจรหกหญิงแพทยาหญิงไม้หญิงสาวแก่บัรดอกภิกษุณีรานเล่าคลุกคลีกับคฤรืหัดคือพระราชาอมาตะของพระราชาเดียรถีสาวกเดียรถี ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควรเศพคบเข้าใกล้ตระกูลที่ไม่มีศรัทธาภาษาทะไม่เป็นดังบ่อน้ำด่าและบริภาศหวังแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เกื้อกูลไม่ผาสุขไม่ปลอดโยคะแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้นี้ชื่อว่าผู้ฉลาดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อันหนึ่งผู้ใดบวชในพระศาสนานี้ ประกอบตนโดยชอบละอเนสนาปรารถนาแต่จะตั้งอยู่ในจตุปาริสุทธิ์ที่ศีลบัมเพนปาติโมขสังวรศีลด้วยศรัทธาเป็นสำคัญบัมเพนอินทรียสังวรศีลด้วยสติเป็นสำคัญบัมเพญอาชีวาปาริสุทธิศีลด้วยความเพียรเป็นสำคัญบัมเพนการเซปัจจัยด้วยปัญญาเป็นสำคัญผู้นี้ชื่อว่าผู้ฉลาดในประโยชน์ นหนึ่งผู้ใดชำระปาฏิโมกขสังวรศีล์โดยชำระอาบัติเจ็ดกองชำระอินริยสังวรศีลโดยไม่ให้อภิชาตเป็นต้นเกิดในอารมณ์ที่กระทบในทาวารหกชำระอาชีวปาริสุทธิสีล์โดยเว้นอเนสนาและเสพแต่ปัจจัยที่วินยูชนสรรเสริญและที่พระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าสรรเสริญ ชำระการเสพปัจจัยโดยการพิจารณาปัจจัยตามที่กล่าวและชำระสัมปัชัญญะโดยการพิจารณาโดยเป็นสาตตะกะสัมปัชัญญะเป็นต้นในการเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ทั้งสี่แม้ผู้นี้ก็ชื่อว่าผู้ฉลาดในประโยชน์อันหนึ่งผู้ใดรู้ว่าผ้าสกปรกอาศัยน้ำเค็ม ก็ทำให้สะอาดได้กระจกอาศัยเท่าก็ทำให้สะอาดได้ทองอาศัยเบ้าหลอมก็ทำให้ผ่องแผ้วได้ฉันใดศีลอาศัยยานก็ผ่องแผ้วได้ฉันนั้นแล้วชาระด้วยน้ำคือยานก็ทำศีลให้บริสุทธิ์ได้เปรียบเหมือนนกต้อยติวิตรักษาไข่เนื้อสายจำรีรักษาขนหาง นารีมีบุตรคนเดียวรักษาบุตรคนเดียวที่น่ารักบุรุษมีดวงตาข้างเดียวรักษาดวงตาข้างเดียวนั้นไว้ฉันใดผู้ไม่ประมาทย่างเลิ่เกินก็รักษาศีลขันของตนฉันนั้นเขาพิจารณาทั้งเย็นเช้าก็ไม่พบโทษแม้ประมานน้อยแม้ผู้นี้ก็ชื่อว่าผู้ฉลาดในประโยชน์ อันหนึ่งเล่าผู้ใดตั้งอยู่ในศีลที่ไม่ทำความเดือดร้อนย่อมประคองปฏิปทาเครื่องข่มกิเลสครั้นประคองปฏิปทานั้นแล้วย่อมทำบริกรรมในกสินครั้นทำบริกรรมในกสินแล้วย่อมยังสมาบัติทั้งหลายให้เกิดแม้ผู้นี้ก็ชื่อว่าผู้ฉลาดในประโยชน์อันหนึ่งเล่า ผู้ใดออกจากสมาบัติพิจารณาสังขารทั้งหลายย่อมบรรลุพระอารหัสตผู้นี้เป็นยอดของผู้ฉลาดในประโยชน์ชนเหล่านี้ใดเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์อันท่านสรรเสริญแล้วโดยเพียงตั้งอยู่ในศีลที่ไม่ทำความเดือดร้อนหรือโดยเพียงประคองปฏิปทาเครื่องข่มกิเลสชนเหล่านั้นท่านประสงค์ว่าผู้ฉลาดในประโยชน์ในอัถะนี้ และภิกษุเหล่านั้นก็เป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงภิกษุเหล่านั้นจึงตรัส ด, ด้วยเทสนาเป็นบุคลาทิธานอย่างหนึ่งว่ากเรณียมัตถากุสเลนะอันผู้ฉลาดในประโยชน์พึงทำดังนี้ต่อแต่นั้นเมื่อภิกษุเหล่านั้นเกิดความสงสัยว่า กิจอะไรที่ต้องทำพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ายันตังสันตังประทังอภิสเมจจะในคานี้มีอธิบายดังนี้พระพุท ธ, ธะและอนุพุท ธ, ธะทั้งหลายต่างสรรเสริญกิจที่ผู้ประสงค์จะบรรลุสันตบทโดยการแทงตลอดแล้วอยู่พึงทาก็ในคำนี้พึงทราบว่าคำว่ายังข้าพเจ้ากล่าวไว้ข้างต้นบทคถานี้นั้นแล้ว ยอมเป็นไปโดยอาธิการว่ากรณียังคือตังสันตังประทังอภิสเมจกักแต่เพราะเหตุที่ความนี้มีปาฐะที่ต้องเติมคําที่เหลือฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าวิหริตุ ก, กาเมนะอีกอย่างหนึ่งในคํานี้พึงทราบอธิบายอย่างนี้ว่าคําว่าสันตังประทังอภิสเมจกักยอมเป็นไปโดยอธิการว่า กิจนั้นใดอันผู้ประสงค์จะรู้บทหรือพระนิพพานว่าสันตะสงบด้วยโลกิยะปัญญาโดยได้ฟังกันมาเป็นต้นจะบรรลุบทคือนิพพานนั้นพึงทรรมอีกในยะหนึ่งครั้นเมื่อตรัสว่ากรณียมัตถกุสเลนะเมื่อภิกษุทั้งหลายพากันคิดว่าอะไรจึงตรัสว่า ยันตังสันตังประทังอภิสเมจักในยะนั้นพึงทราบอธิบายอย่างไรนี้กิจใ ด, ดอันบุคคลรู้บทอันสงบด้วยโลกิยะปัญญาแล้วพึงทาพึงประกอบกิดนั้นก็ควรทาท่านอธิบายว่ากิจนั้นควรแก่การ ท, ทาทั้งนั้นถามว่ากิดนั้นคืออะไรตอบว่ากิดอะไรอื่นพึงมีอยู่ นอกจากอุบายบรลุนิพพานบทนั้นกิจนั้นข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วด้วยบทต้นอันแสดงสิกขาสามเพราะอัตถะว่าควรแก่การทำก็จริงอยู่ถึงอย่างนั้นในการพนานาความแห่งคำนั้นข้าพเจ้าก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าการณียะก็มีอาการณียะก็มีในสองอย่างนั้นโดยสังเกตสิกขาสามชื่อว่าการณียะ แต่เพราะทรงแสดงไว้สังเขตเกินไปบรรดาภิกษุเหล่านั้นบางพวกก็ไม่รู้แต่นั้นเมื่อตรัสกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ภิกษุผู้อยู่ป่าควรทำให้พิสดารเพื่อให้พวกภิกษุที่ไม่รู้ได้รู้ซึ่งตรัสกึ่งคะถานี้ก่อนว่าสักโกอูชูจะสุอูชูจะสุวโจจัดสะมุตุอนติมานีท่านอธิบายไว้อย่างไร ท่านอธิบายว่าภิกษุผู้อยู่ป่าประสงค์จะบรรลุสันตบทอยู่หรือบรรลุสันตบทนั้นด้วยโลกิยะปัญญาแล้วปฏิบัติเพื่อบรรลุสันตบทนั้นไม่อาลัยในกายและชีวิตด้วยประกอบด้วยปัญานิยังคะข้อสองและสพึงเป็นผู้อาจปฏิบัติเพื่อแทงตลอดสัจจะกรณียกิจที่ควรทำไรๆนั้นใด ไม่ว่าสูงต่ำของสัพพรมารีในการบริกรรมกสินสมาทานวัดเป็นต้นและในการซ่อมแซมบาจีวรเป็นต้นของตนก็พึงอาจพึงขยับไม่เกียจคร้านสามารถในกรณียกิจเหล่านั้นและในกิจเช่นนั้นอย่างอื่นก็เหมือนกันแม้เมื่อเป็นผู้อาจก็พึงเป็นผู้ตรงด้วยการประกอบด้วยปทานิยังคะข้อที่สาม แม้เมื่อเป็นผู้ตรงก็พึงเป็นผู้ตรงด้วยดีด้วยเป็นผู้ตรงคราวเดียวหรือด้วยเป็นผู้ตรงในเวลายังหนุ่มด้วยไม่ถึงสันโดษแต่ทำไม่ย่อหย่อนบ่อยๆจนตลอดชีวิตหรือว่าชื่อว่าตรงคืออุชูนั้นเพราะทำด้วยความไม่อวดดีชื่อว่าตรงดีสู่อุชูเพราะไม่มีมายาชื่อว่าตรง เพราะละความคิดทางกายและวาจาหรือว่าชื่อว่าตรงเพราะละความคิดทางกายและวาจาชื่อว่าตรงดีเพราะละความคตทางใจหรือชื่อว่าตรงเพราะไม่อวดคุณที่ไม่มีจริงชื่อว่าตรงดีเพราะไม่อดกลั้นตอลาบที่เกิดเพราะคุณที่ไม่มีจริงพึงชื่อว่าเป็นผู้ตรงและตรงดี ด้วยอารัมมณูปนิชฌานและลักขณูปนิชฌานด้วยสิกขาข้อสองและสามข้างต้นและด้วยประโยคาสุทธิและอาศยะสุทธิด้วยประการชนี้ภิกษุไม่ใช่พึงเป็นผู้ตรงและตรงดีอย่างเดียวหรอกที่แท้พึงเป็นผู้ว่าง่ายอีกด้วยก็บุคคลใดถุกท่านว่ากล่าวว่าท่านไม่ควรทำข้อนี้ก็พูดว่า ท่านเห็นอะไรท่านได้ยินอะไรท่านเป็นอะไรกับเราจึงพูดเป็นอุปชาอาจารย์เพื่อนเห็นเพื่อนครบหรือหรือเบียดเบียนผู้นั้นด้วยความนิ่งเสียหรือยอมรับแล้วไม่ทำอย่างนั้นผู้นั้นชื่อว่าอย่างอยู่ไกลาการบรรลุคุ ณ, ณวิเศษส่วนผู้ใดถูกท่านโอวาทก็กล่าวว่าดีละท่านขอรับท่านพูดดี คึ้นชื่อว่าโทษของตนเป็นของเห็นได้ยากท่านเห็นกระผมเป็นอย่างนี้โปรดอาศัยความเอ็นดูว่ากล่าวอีกเถอะกระผมไม่ได้รับโอวาจาจากสำนักท่านเส้นานและปฏิบัติตามที่ท่านสอนผู้นั้นชื่อว่าอยู่ไม่ไกลาการบรรลุคุณวิเศษเพราะฉะนั้นบุคคลรับคำของผู้อื่นแล้วกระทำอย่างนี้พึงชื่อว่าเป็นผู้ว่าง่ายอันหนึ่ง เป็นผู้ว่าง่ายอย่างใดก็พึงเป็นผู้อ่อนโยนอย่างนั้นบทว่ามุทุความว่าภิกษุถูกพวกเขรือหัดใช้ในการเป็นทูตไปรับส่งข่าวเป็นต้นก็ไม่ทําความอ่อนแอในกิจนั้นเป็นผู้แข็งกร้าวเสียพึงเป็นผู้อ่อนโยนในวัดปฏิบัติและพระมรรจันทร์ทั้งสิน้นทนต่อการไม่ต้องรับใช้ในกิจนั้น เหมือนทองที่ช่างตกแต่งด้วยดีอีกอย่างหนึ่งบทว่ามุธุได้แก่เป็นผู้ไม่มีหน้าเสยิ้วคือเป็นผู้มีหน้าเบิกบานเจรจาแต่คําที่ให้เกิดสุขตอนรับแขกพึงเป็นเหมือนผู้ลงสู่ท่าน้ําที่ดีโดยสะดวกมิใช่แต่เป็นผู้อ่อนโยนอย่างเดียวหรอกพึงเป็นผู้ไม่มีอติมานะดูหมิ่นเข้าด้วยไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่น ด้วยวัตถุแห่งการดูหมินมีชาติกำเนิดและโคดคือสกุลเป็นต้นพึงมีใจเสมอด้วยเด็กจันทานอยู่เหมือนท่านพระสารีบุตรเทระฉะนั้นพันนาค า, าถาที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าครันปรีกรณียกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งของภิกษุผู้อยู่ป่า ซึ่งประสงค์จะบรรลุสันตบทอยู่หรือปฏิบัติเพื่อบรรลุสันตบทนั้นอย่างนี้แล้วมีพระพุทธประสงค์จะตรัสยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจึงตรัสคทถาที่สองว่าสันตุสโกจะเป็นต้นในคถาที่สองนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าสันโดษเพราะสันโดดด้วยสันโดดสิบสองอย่างมีประเภทที่กล่าวไว้แล้วในมงคลข้อนี้ว่า สันตุทิจกกักรตันยุตานี้อีกนัยยะหนึ่งภิกษุใดย่อมยินดีเหตุนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าตุสกะผู้ยินดีภิกษุผู้ยินดีด้วยของตนเองผู้ยินดีด้วยของที่มีอยู่ผู้ยินดีด้วยอาการสม่ำเสมอเหตุนั้นจึงชื่อว่าสันตุสกะผู้สันโดษ ในลักษณะสามอย่างนั้นปัจจัยสีที่ท่านยกขึ้นแสดงในโรงอุปสมบทอย่างนี้ว่าปิทีิยาลโลปโชนังนิสายะอาศัยโพชนะคือคำข้าวที่หามาด้วยปลีแข่งเป็นต้นและตนก็รับไว้แล้วชื่อว่าของของตนภิกษุไม่แสดงอาการผิดปกติในเวลารับและในเวลาบริโภคอย่างอัตภาพให้เป็นไปด้วยปัจจัยของตนนั้น ดีก็ตามไม่ดีก็ตามที่เขาถวายโดยเคารพและไม่เคารพก็ตามเรียกว่าผู้ยินดีด้วยของของตนของใดได้มาแล้วมีอยู่แก่ตนของนั้นชื่อว่ามีอยู่ภิกษุยินดีด้วยของมีอยู่นั้นนั่นแหละไม่ปรารถนาของนอกจากนั้นละความเป็นผู้ปรารถนาเกินส่วนเสียคือมากมากเรียกว่าผู้ยินดีด้วยของมีอยู่ การละความยินดียินร้ายในอิทธารมและอนิธารมชื่อว่าสม่ำเสมอภิกษุยินดีในอารมณ์ทั้งปวงด้วยอาการสม่ำเสมอนั้นเรียกว่าผู้ยินดีด้วยอาการสม่ำเสมอชื่อว่าสุภระเพราะเขาเลี้ยงโดยง่ายท่านอธิบายว่าผู้ที่เขาเลี้ยงง่ายภิกษุใด เมื่อมนุษย์เอาบาตรบรรจุเต็มด้วยข้าวสาหลีเนื้อและข้าวสุกเป็นต้นถวายแล้วแสดงภาวะหน้าเสียและใจเสียพูดว่าพวกท่านให้อะไรมินบินธรมบาดนั้นต่อหน้าเขาให้แก่สามเณรละคฤ ห, หัดเป็นต้นเสียภิกษุนั้นชื่อว่าทุพภะผู้ที่เขาเลี้ยงยากมนุษย์ทั้งหลายเห็นภิกษุนั้นแล้วก็ละเว้นเสียตไกลทีเดียวด้วยกล่าวว่า ภิกษุเลี้ยงยากใครก็ไม่อาจเลี้ยงดูได้ส่วนภิกษุใดได้ของปอนหรือประณีตอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยหรือมากมีใจดีหน้าตาผ่องใสอย่างอัตภาพให้เป็นไปภิกษุนั้นชื่อว่าสุภระผู้เลี้ยงง่ายมนุษย์ทั้งหลายเห็นภิกษุนั้นเป็นผู้สนิทสนมก็ปฏิญาณรับเลี้ยงว่า พระคุณเจ้าของเราเลี้ยงง่ายภิกษุเห็นป่านนี้ท่านประสงค์ว่าเป็นสุภะพระผู้เลี้ยงง่ายในที่นี้กิจของภิกษุนั้นน้อยเหตุนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าอับปกิจจ์ผู้มีกิจน้อยมิใช่ผู้ขวนขวายด้วยกิจมากอย่างเช่นเพลินงา น, เ พ, นเพลินคุยเพลินคลุกคลีเป็นต้น อีกอย่างหนึ่งเป็นผู้เวนกิจมีงานก่อสร้างการบริโภคของสงฆ์การสั่งสอนสมณะและคนวัดเป็นต้นทั่วทั้งวิหารท่านอธิบายว่าทำการปลงผมตัดเล็บระบบบาทซ่อมจีวรเป็นต้นของตนนอกจากกิจคือสมณะธรรมความประพฤติของภิกษุนั้นเบาเหตุนั้นภิกษุนั้นชื่อว่า ต่ละหกกวัวติผู้มีความประพฤติเบาภิกษุผู้มีบริการมากบางรูปเวลาออกเดินทางก็ให้มหาชนยกบาตรจีวรเครื่องปูราดน้ำมันน้ำอ้อยเป็นต้นเป็นอันมากเดินศีรษะกระเดียดเสเอลเป็นต้นอย่างใดภิกษุใดไม่เป็นอย่างนั้นย่อมเป็นผู้มีบริการน้อยรักษาแต่เพียงสมณะบริการแปดมีบาตรจีวรเป็นต้นเท่านั้น เวลาเดินทางก็ถือเดินทางไปเหมือนนกมีตาปีกภิกษุเห็นปานนั้นท่านประสงค์ว่าผู้มีความประพฤติเบาในที่นี้อินทรีทั้งหลายของภิกษุนั้นสงบเหตุนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าผู้มีอินทรีสงบท่านอธิบายว่าผู้มีอินทรีไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจราคะเป็นต้นในอิทธารมเป็นอาธิ บทว่านิปโกได้แก่ผู้เป็นวินยูชนผู้แจมแจ้งมีปัญญาอธิบายว่าผู้ประกอบด้วยปัญญาเครื่องตามรักษาศีลด้วยปัญญากำหนดปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้นและด้วยปัญญากำหนดรู้สัพ ป, ปายะเจ็ดอย่างมีอาวาสัปปายะเป็นต้นผู้ไม่ขนองเหตุนั้นจึงชื่อว่าอปปคภ ะ, ะผู้ไม่ขนอง อธิบายว่าเว้นจากการขนองทางกายแปดฐานจากการขนองวาจาสี่ฐานและจากการขนองทางใจมากฐานการทำไม่สมควรทางกายในสงฆ์คณะบุคคลรงชันเรือนไฟท้าอาบน้ำทางบินธบทัทและการเข้าสู่ละแวกบ้านชื่อว่าการขนองทางกายแปดฐานคือเป็นต้นอย่างนี้ว่า ภิกษุบางรูปในพระศาสนานี้นั่งรัดเขา่าหรือเอาเท้าจับเท้าในถ้ำกลางสงฆ์ในถ้ำกลางคณะในที่ประชุมบริษัทสีก็เหมือนกันในบุคคลผู้แก่กว่าก็เหมือนกันส่วนในโรงฉันภิกษุไม่ให้อาสนะแก่ผู้แก่กว่าห้ามอาสนะแก่ภิกษุใหม่ในเรือนไฟก็เหมือนกันก็ในเรือนไฟนั้น ภิกษุไม่ขอโอกาสภิกษุผู้แก่กว่าทำการติดไฟเป็นต้นส่วนในท่าอาบน้ำท่านกล่าวคำนี้ได้ว่าไม่ต้องถือว่าหนุ่มแกพึงอาบได้ตามลาดับของผู้มาถึงภิกษุไม่ยึดคำนั้นมาทีหลังก็ลงน้ำกิดการภิกษุผู้แกและภิกษุใหม่ส่วนในทางบินธบาตภิกษุไปข้างหน้าข้างหน้า เอาแขนกระทบแขนภิกษุแก่เพื่อประสงค์อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศและอาหารอันเลิศในการเข้าไปสู่ละแวกบ้านก็มีเป็นต้นอย่างนี้ว่าภิกษุเข้าไปก่อนภิกษุผู้แก่ทำการเล่นทางกายกับภิกษุหนุม่มในเหตุผู้อา่านคําว่าภิกษุแก่ในที่นี้น่าจะหมายถึงแก่พรรษากว่านะครับ การเปล่งวาจาไม่สมควรในสงฆ์คณะบุคคลและละแวกบ้านชื่อว่าขนองทางวาจาสี่ฐานคือเป็นต้นอย่างนี้ว่าภิกษุบางรูปในพระศาสนานี้ไม่ขอโอกาสในถ้ำกลางสงฆ์กล่าวธรรมะในคณะในบุคคลผู้แก่กว่าดังนี้ดังที่กล่าวมาก่อนแล้วก็เหมือนกันหน้าที่นั้นภิกษุถูกมนุษย์ทั้งหลายถามปัญหาไม่ขอโอกาสภิกษุผู้แก่กว่า ก็ตอบปัญหาส่วนในละแวกบ้านภิกษุกล่าวเป็นต้นอย่างนี้ว่ามีอะไรในบ้านโน้นเข้าต้มหรือของเคี้ยวหรือของกินท่านจากให้อะไรแก่เราวันนี้เราจะเคี้ยวจะกินอะไรจะดื่มอะไรแม้ไม่ถึงความละเมิดทางกายวาจาในฐานะนั้นๆแต่ก็มีวิตกอันไม่สมควรประการต่างๆมีกามาวิตกเป็นต้นทางใจ ชื่อว่าการขนองทางใจมีมากฐานบทว่ากุเลสุอนนุคิดโธความว่าภิกษุเข้าไปหาตระกูลเหล่านั้นใดไม่ติดด้วยความอยากได้ปัจจัยหรือด้วยการคลุกคลีที่ไม่สมควรในตระกูลเหล่านั้นท่านอธิบายว่าไม่โศกเศร้าร่วมด้วยไม่ร่าเริงร่วมด้วย ไม่สุขด้วยเมื่อตระกูลเหล่านั้นประสบสุขไม่ทุกข์ด้วยเมื่อตระกูลเหล่านั้นประสบทุกข์หรือเมื่อกรณียกิจทั้งหลายเกิดขึ้นก็ไม่เข้าประกอบด้วยตนเองก็คําใดว่าอัศสสะที่ตรัสไว้ในคํานี้ว่าสุวโจอัศสสะแห่งคาถานี้คํานั้นพึงประกอบเข้ากับบททุกบทอย่างนี้ว่าสันตสโกจะอั ส, สะสุภโรจะอัศะ พันนาคาถาที่สามพระผู้มีพระภาคเจ้ารตรัสบอกการณียะแม้ยิ่งไปกว่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ภิกษุผู้อยู่ป่าซึ่งประสงค์จะบรรลุสันตบทแล้วอยู่หรือประสงค์จะปฏิบัติเพื่อบรรลุสันตบทนั้นอย่างนี้แล้วบัดนี้มีพระพุทธประสงค์จะตรัสบอกอาการณียะจึงตรัสกึ่งคถาว่า น่จาจกขุดทางสมาจเรกินจิเยนะวินยูเปรเรอุปะววเทยยุงกึ่งคถา น, นั้นมีความดังนี้ภิกษุเมื่อทำกรณียะนี้อย่างนี้ก็ไม่พึงประพฤติกายทุจริตวาจีทุจริตและมโนทุจริตที่เรียกว่าขุดทะคือลามกเมื่อไม่ประพฤติมีใช่ไม่ประพฤติแต่กรรมหยาบอย่างเดียว แม้กรรมเล็กน้อยไร่ๆก็ไม่ประพฤติท่านอธิบายว่าไม่ประพฤติลามกกรรมทั้งจำนวนน้อยทั้งขนาดเล็กแต่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงโทษที่เห็นได้เองในการประพฤติลามกกรรมนั้นว่าเยนาวินยูปรเรอุปวะเทยุงก็ในคำนี้เพราะเหตุที่ผู้ม่ใช่วินยูชนเหล่าอื่นไม่ถือเป็นประมาณ เพราะาวินยูชนเหล่านั้นยังทํากรรมไม่มีโทษหรือมีโทษมีโทษน้อยหรือมีโทษมากส่วนวินยูชนทั้งหลายเท่านั้นถือเป็นประมาณได้เพราะว่าวินยูชนเหล่านั้นใครครวรทบทวนแล้วยอมติดเตียนผู้ที่ควรติดเตียนสันเสริญผู้ที่ควรสันเสริญฉะนั้นจึงตรัสว่าวินยูปะเร พระผู้มีพระภาคเจ้าครันตรัสอุปัจาระแห่งกรรมฐานต่างโดยกรณียะและอักกรณียะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ภิกษุผู้อยู่ป่าซึ่งประสงค์จะบรรลุสันตบทแล้วอยู่หรือประสงค์ปฏิบัติเพื่อบรรลุสันตบทนั้นและแก่พวกภิกษุผู้ประสงค์จะรับกรรมฐานอยู่แม้ทุกรูปโดยยกภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นสําคัญด้วยสองคาถาครึ่งนี้อย่างนี้แล้วบัดนี้จึงทรงเริ่มตรัส เมตตาคถาโดยนัยว่าสุขิโนวาเขมิโนโหนตุเป็นต้นเพื่อเป็นปริษรกำจัดภัยแต่เทวดานั้นและเพื่อเป็นกรรมฐานโดยฌานเป็นบาทแห่งวิปัสสนาแก่ภิกษุเหล่านั้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสุขิโนได้แก่ผู้พรางพร้อมด้วยสุขบทว่าเขมิโน แปล ว, ว่าผู้มีความกเกษมท่านอธิบายว่าผู้ไม่มีภัยไม่มีอุปัทตวะบทว่าสัพเพได้แก่ไม่เหลือเลยบทว่าสัตตาได้แก่สัตว์มีชีวิตบทว่าสุขิตตาได้แก่ผู้มีจิตถึงสุขก็ในคํานี้พึงทราบว่าชื่อว่าผู้มีสุขโดยสุขทางกาย ชื่อว่ามีจิตถึงสุขโดยสุขทางใจชื่อว่ามีความเกษมแม้โดยสุขทั้งสองนั้นหรือโดยไปปราศจากภัยและอุปัวะทั้งปวงก็เหตุไรจึงตรัสอย่างนี้ก็เพื่อแสดงอาการแห่งเมตตาภาวนาก็เมื่อเป็นอย่างนี้จึงควรเจริญเมตตาว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงมีสุขดังนี้บ้าง จงมีความเกษมดังนี้บ้างจงเป็นผู้มีตนถึงสุขดังนี้บ้างพันานาคาถาที่สี่พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนาโดยสังเขปตั้งแต่อุปจาระจนถึงอัปปนาเป็นที่สุดอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อทรงแสดงเมตตาภาวนานั้น แม้โดยพิสดารจึงตรัสสองคาถาว่าเยเกจิเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่จิตถูกสะสมอยู่ในอารมณ์มากๆย่อมไม่หยุดอยู่ในอารมณ์เดียวโดยเบื้องต้นเท่านั้นแต่จะแล่นติดตามประเภทอารมณ์โดยลําดับฉะนั้นจึงตรัสสองคาถาว่าเยเกจิเป็นต้นเพื่อจิตที่แล่นติดตามไปแล้วหยุดอยู่ในอารมณ์อันเป็นประเภทแห่งทุกขะ หมวดสองแห่งสัตว์ละติกะหมวดสามแห่งสัตว์มีตสถาวระทุ ก, กะเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่อารมณ์ใดของผู้ใดเป็นอารมณ์ที่ปรากฏชัดแล้วจิตของผู้นั้นย่อมตั้งอยู่เป็นสุขในอารมณ์นั้นฉะนั้นอารมณ์ใดของภิกษุรูปใดในบรรดาภิกษุเหล่านั้นปรากฏชัดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้า มีพระพุทธประสงค์จะให้จิตของภิกษุรูปนั้นตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นจึงตรัสสองคาถาว่าเยเกจิเป็นต้นอันแสดงความต่างแห่งอารมณ์เป็นทุกกะและติกะมีตสถาวระทุกกะเป็นต้นความจริงในสองคาถานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงทุกกะหมวดสองแห่งสัตว์สี่ทุกกะคือ ตสถาวราทุกกะหมวดสองแห่งสัตว์ผู้สะดุ้งและผู้มั่นคงคืคอไม่สะดุง้งทิฏฐ า, าทิฏฐทุกกะหมวดสองแห่งสัตว์ผู้ที่ตนเห็นแล้วและผู้ที่ตนยังไม่เห็นทุระสันติกะทุกกะหมวดสองแห่งสัตว์ผู้ที่อยู <t um> <t ่ไกลและผู้ที่อยู่ใกล้ภูตะสัมภเวสีทุกกะหมวดสองแห่งสัตว์ผู้ที่เกิดแล้วและผู้ที่แสวงหาที่เกิด และทรงแสดงติกะหมวดสามแห่งสัตว์สามติกะคือทิคารัสมาชิมาติกะ ica, หมวดสามแห่งสัตว์ผู้มีอัตภาพยาวต่ำและปานกลางมหันตานุกะมาชิมาติกะ ica, หมวดสามแห่งสัตว์ผู้มีอัตภาพใหญ่เล็กและปานกลางถุลานุกะมาชิมาติกะ ica, หมวดสามแห่งสัตว์ผู้มีอัตภาพอ้วนผอมและปานกลาง โดยมัชชิมาบทเป็นที่เกิดประโยชน์ในสามติกะและอนุกะทุระบทเป็นที่เกิดประโยชน์ในสองติกะด้วยบทหกบทมีทีฆาบทเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเยเกจิเป็นคำแสดงว่าไม่มีส่วนเหลือเลยหมู่สัตว์ที่เกิดแล้วคือปานะชื่อว่าปานะภูตะ อีกอย่างหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมหายใจเหตุนั้นจึงชื่อว่าปานะทรงถือเอาปัญจาวการสัตว์ที่เนื่องด้วยอัศสาสะปัตสาสะลมหายใจเข้าออกด้วยบทนี้สัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดเหตุนั้นจึงชื่อว่าพูดทรงถือเอาเอกาโวการสัตว์และจะตุวการสัตว์ด้วยบทนี้บทว่าอัติ แปล ว, ว่ามีมีพร้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงสัตว์ทั้งปวงที่ทรงสงเคราะห์ด้วยทุกกะและติกะรวมกันด้วยคําว่าเยเกจิปานาพูต e ถินี้อย่างนี้แล้วบัดนี้ทรงสงเคราะห์สัตว์เหล่านั้นแม้ทั้งหมดแสดงด้วยทุกกะนี้ว่าตัสสาวาทาวราวาอนาวาเสสาในทุกกะนี้ สัตว์ทั้งหลายย่อมสะดุ้งเหตุนั้นจึงชื่อว่าตตะสาคํานี้เป็นชื่อของสัตว์ทั้งหลายผู้มีตัญหาและมีภัยสัตว์ทั้งหลายย่อมมั่นคงเหตุนั้นจึงชื่อว่าทาวราคํานี้เป็นชื่อของพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ละตัญหาและภัยได้แล้วส่วนเหลือของสัตว์หล่อนั้นไม่มีเหตุนั้นจึงชื่อว่าณวเสสา ท่านอธิบายว่าแม้ทุกตัวสัตว์ก็คำใดปลัดไว้ท้ายแห่งคาถาที่สองคำนั้นพึงเชื่อมกับทุกทุกกะและติกะบทว่าเยเกจิปานะูตัิความว่าสัตว์ทั้งหลายที่สะดุ้งกลัวก็ดีที่มั่นคงก็ดีไม่เหลือเลยสัตว์แม้เหล่านี้ทั้งหมดจงเป็นผู้มีตนถึงสุข หมู่สัตว์ที่เกิดแล้วก็ดีสแสวงหาที่เกิดก็ดีเพียงใดสัตว์ทั้งหมดแม่เหล่านี้เพียงนั้นจงเป็นผู้มีตนถึงสุขเถิดด้วยประการชน น, รนี้บัดนี้บรรดาบททั้งหกมีทีคาวาเป็นต้นที่แสดงติกะสาหมวดมีทีคารัสมาชิมาติกะเป็นต้นบทว่าทีคาได้แก่สัตว์ที่มีอัตภาพยาวมีนาค ปลาเฮียเป็นต้นจริงอยู่อัตภาพของนาคทั้งหลายในมหาสมุทรแม้มีขนาดหลายร้อยวาอัตภาพของปลาและเฮียเป็นต้นก็มีขนาดหลายโยธบทว่ามหันตาได้แก่สัตว์มีอัตภาพใหญ่ในน้ําก็มีปลาและเตา่าบนบกก็มีพระยาช้างเป็นต้นในจํำนวนอามนุษย์ก็มีทานกเป็นต้น และตรัสว่าราหูเป็นยอดของสัตว์ที่มีอัตรภาพทั้งหลายจริงอยู่อัตรภาพของราหูนั้นสูงสี่0มืนดพันยดแขนหนึ่งหมืสองพันยอระหว่างคิ้วห้าสิบยอระหว่างนิ้วก็เหมือนกันฝ่ามือสองร้อยยอดแลบทว่าอันกาได้แก่สัตว์ทั้งหลายที่อัตรภาพละเอียดหรือเล็กเป็นต้น ที่บังเกิดในน้ำเป็นต้นไม่เป็นอารมณ์ของมังสจักสุเป็นวิสัยของทิพยจักสุอันหนึ่งสัตว์เหล่าใดมีขนาดตำ่ำตรงกลางใหญ่และตรงกลางอ้วนในชาตินั้นนั้นสัตว์เหล่านั้นพึงทราบว่าเล็กบทว่าถูลาได้แก่สัตว์ทั้งหลายที่มีอัตภาพกลมมีปลาเตา่าหอยกาบหอยโขงเป็นต้น หมายเหตุผู้อ่านขอแทรกเรื่องราหูสักนิดนะครับในปัจจุบันวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าราหูอมจันร์นั้นก็คือเงาของโลกไปบางแสงพระอาทิตย์ไม่ให้ส่องถึงดวงจันร์นะครับสำหรับข้อความในพระไตรปิฎกหลายส่วนก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับและพิจารณาว่าจริงหรือไม่อย่างไรในเรื่องนี้ตีความได้หลายอย่างนะครับหนึ่งเลยก็คือ เป็นการกล่าวถึงอบปฏิกะที่มีชื่อนี้จริงๆส่วนที่สองก็คือการนำสิ่งที่คนในสมัยโบราณเชื่อถือแบบนั้นมาอธิบายเป็นส ม, มุติบัญญัติให้เข้าใจหรือเป็นการเปรียบเทียบคล้ายตัวอย่างการเล่าชาดกที่มีสัตว์พูดได้นะครับดังนั้นจึงต้องขอฝากและขอย้ำไว้เสมอว่าการศึกษาพระไตรปิฎกอย่าเพึ่งรีบเชื่ออย่าพึ่งรีบปฏิเสธแล้วจับแก่นนั้นมาใช้ จับแก่นมาเป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติกรองเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และศึกษาภาพรวมให้ครบนะครับเราจะพอเข้าใจมองออกว่าเนื้อหาในพระไตรปิฎกและอัถกถานั้นโดยรวมแล้วมีความงดงามและนำพาเราพ้นทุกข์ได้จริงๆจึงของฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับพันนาคถาที่ห้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสัตว์ทั้งหลายไม่เหลือด้วยติกะสามติกะอย่างนี้แล้วบัดนี้ทรงสงเคราะห์แสดงด้วยทุกกะสามทุกกะว่าทิฏฐาวาเยจะอธทิฏฐาเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าทิฏฐาได้แก่สัตว์เหล่าใดเคยเห็นโดยมาปรากฏแก่ตาของตนบทว่าอทิฏฐาได้แก่สัตว์เหล่าใดตั้งอยู่ในสมุดอื่นภูเขาอื่น และจักรวาลอื่นเป็นต้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสัตว์ที่อยู่ไกลและไม่ไกลอัตภาพของตนด้วยทุกกะนี้ว่าเยเจทูเรว่สสันติอวิทูเรสัตว์เหล่านั้นพึงทราบโดยเป็นสัตว์ไม่มีเท้าและสัตว์สองเท้าก็เหล่าสัตว์ที่อยู่ในกายของตนเรียกว่าอวิทูเรอยู่ไม่ไกล เหล่าสัตว์ที่อยู่นอกกายเรียกว่าทูเรอยู่ไกลอันหนึ่งเหล่ า, ลาสัตว์ที่อยู่ภายในอุปจาระเรียกว่าอยู่ไม่ไกลที่อยู่ภาย น, นอกอุปจาระเรียกว่าอยู่ไกลที่อยู่ในพระวิหารตามชนบททวีปจักรวาลเรียกว่าอยู่ไม่ไกลที่อยู่ใ น, นจักรวาลอื่นเรียกว่าอยู่ ไ, ไกล บทว่าภูตาได้แก่เกิดแล้วบังเกิดแล้วพระขีณาศพเหล่าใดเป็นแล้วนั่นแหลไม่นับว่าจักเป็นอีกคํานั้นเป็นชื่อของพระขีณาศพเหล่านั้นสัตว์เหล่าใดสแสวงหาที่เกิดเหตุนั้นสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าสัมภเวสีคํานี้เป็นชื่อของพระเสขะและปุถุชนทั้งหลายที่กําลังสแสวงหาที่เกิด แม้ในอนาคตเพราะภวะสังโยชนยังไม่สิน้นอีกอย่างหนึ่งบรรดากำเนิดสีเหลาสัตว์ที่เป็นอันทชะเกิดในไข่และฉลาพุชะเกิดในคันยังไม่ทำลายเปลือกฟองไข่แล้วรกออกมาตราบใดตราบนั้นก็ชื่อว่าสัมภเวสีที่ทำลายเปลือกฟองไข่และรกแล้วออกมาข้างนอกชื่อว่าพูด เราสัตว์ที่เป็นสังเสริชะและอบปฏิกะชื่อว่าสัมภเวสีในขณะปฐมจิตตั้งแต่ขณะทุติยาจิตไปชื่อว่าพูดหรือภูตะหรือสัตว์ทั้งหลายเกิดโดยอิริยาบดใดยัยงไม่เปลี่ยนอิริยาบดเป็นอื่นไปจากอิริยาบดนั้นตราบใดตราบนั้นยังชื่อว่าสัมภเวสีนอกจากนั้นไปชื่อว่าพูดหรือภูตะ พันนาคถาที่หกพระผู้มีพระภาคเจ้ารัทรงแสดงเมตตาภาวนาในสัตว์ทั้งหลายโดยปรารถนาแต่จะให้เข้าถึงประโยชน์สุขของภิกษุเหล่านั้นโดยประการต่างๆด้วยสองคาถาครึ่งว่าสุคิโนโวาเป็นต้นอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อทรงแสดงเมตตาภาวนานั้นแม้โดยปรารถนาให้ออกไปจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และทุกข์ จึงตรัสว่าณปรโรปรังนิกุปเพธะนี้เป็นปาฐะเก่าแต่ปัจจุบันสวดกันว่าปรังหิ ด, ดังนี้ก็มีปาฐะนี้ไม่งามบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปรโรได้แก่ชนอื่นบทว่าณกุมเพธะได้แก่ไม่หลอกลวงบทว่านาติมันเยธะ ได้แก่ไม่สำคัญเกินไปคือไม่ดูหมินบทว่ากัตถจิได้แก่ในโอกาสไห น, ไหนคือในหมู่บ้านหรือในเขตหมู่บ้านท่ามกลางญาติหรือท่ามกลางบุคคลดังนี้เป็นต้นบทว่านังแปลว่านั่นบทว่ากินจิได้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งคือกษัตริย์หรือพราหมณ์เขรษหัดหรือบรรพชิต ที่ถึงสุขหรือที่ถึงทุกข์ดังนี้เป็นต้นบทว่าพยาโรสนาปฏิฆาสัญญาได้แก่เพราะความกริ้วโกรธด้วยกายวิการและวจีวิการและเพราะคุมแค้นด้วยมโนวิการเพราะเมื่อควรตรัสว่าพยาโรสนายะปฏิฆาสัญญายะแต่ก็ตรัสซิวว่าพยาโรสนาปฏิ่าสัญญา เหมือนเมื่อควรจะตรัสว่าสมุทฐานญาญาวิมุตตาแต่ก็ตรัสเสี้ยว่าสมุทัญญาวิมุตตาและเหมือนเมื่อควรจะตรัสว่าอนุปุพพสิกหายะอนุปุพพกิริยายะอนุปุพพปฏิปทาอัญยารัธนาเจนนั้นบวว่านายัญมัญญาสะทุก ข, ขมิเฉยยะ ความว่าไม่พึงปรากฏทุกแกกันละกันท่านอธิบายไว้อย่างไรท่านอธิบายไว้ว่ามิใช่เจริญเมตตาโดยมนาสิการเป็นต้นว่าขอสัตว์ทั้งหลายจงมีสุขมีความเกษมเถิดดังนี้อย่างเดียวที่แท้พึงมนาสิการอย่างนี้ว่าโอหนอบุคคลอื่นไม่ว่าใครๆไม่พึงข่มเหงบุคคลอื่นไม่ว่าใครๆด้วยกิริยาคดโกง มีล่อลวงเป็นต้นไม่พึงดูหมิ่นบุคคลอื่นไม่ว่าใครๆไม่ว่าในประเทศไหนไหนด้วยวัตถุแห่งมานะเก้าอย่างบีชาติกำเนิดเป็นต้นและไม่พึงปรารถนาทุกแก่กันและกันเพราะความกริ้วโกรธหรือเพราะความคุ้มแค้นดังนี้อีกด้วยพันนาคถาที่เจ็ด พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนาโดยอัตหาด้วยปรารถนาให้เขาออกไปจากสิ่งไม่เป็นประโยชน์และทุกข์อย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อทรงแสดงเมตตาภาวนานั้นนั่นแหลโดยอุปมาจึงตรัสว่ามายาสถานีอย่างปุตตังเป็นต้นคถานั้นมีความว่ามารดาพึงอนุรักษ์บุตรในตนคือบุตรที่เกิดในตนเกิดแต่อก พึงทนุดถนอมบุตรนั้นซึ่งมีคนเดียวเท่านั้นด้วยชีวิตคือยอมสละแม้ชีวิตของตนถนอมบุตรนั้นเพื่อห้ามกันทุกมาถึงบุตรนั้นฉันใดภิกษุพึงรรมนัตที่ประกอบด้วยเมตตานี้ให้เจริญคือให้เกิดบ่อยๆให้ขยายไปและอย่างเมตตาภาวนานั้นให้เจริญไม่มีประมาณโดยถือสัตว์ไม่มีประมาณเป็นอารมณ์หรือโดยแผ่ไปไม่เหลือเลย แม้แต่ในสัตว์ผู้หนึ่งพนนาค า, าถาที่แปดพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงสแสดงเมตตาภาวนาโดยอาการทั้งปวงอย่างนี้บัดนี้เมื่อทรงสแสดงการจเจริญเมตตาภาวนานั้นนั่นแหลจึงตรัสว่าเมตตันจะสัพพโล ก, กัสมิงเป็นต้นในคาถานั้น ชื่อว่ามิตรเพราะรักและรักษาอธิบายว่าห่วงใยเพราะมีอัถยาศัยมุ่งประโยชน์เกื้อกูลและรักษาให้พ้นจากการมาถึงของสิ่งไม่เป็นประโยชน์ความเป็นแห่งมิตรชื่อว่าเมตตาบทว่าสัพพโล ก, กัสสิงได้แก่ในสัตว์โลกไม่เหลือเลยมีในใจเหตุนั้นจึงชื่อว่า มานะสะก็คำว่ามานะสังนั้นท่านกล่าวอย่างนี้ก็เพราะประกอบกับจิตบทว่าภาวะเยแปลว่าให้เจริญประมาณของมานะสะนั้นไม่มีเหตุนั้นจึงชื่อว่าอปริมานะท่านกล่าวอย่างนี้ก็เพราะเมตตามีสัตว์ไม่มีประมาณเป็นอารมณ์บทว่าอุดทาง แปลว่าเบื้องบนทรงถือเอารูปประพบด้วยบทนั้นบทว่าอโทแปลว่าเบื้องล่างทรงถือเอากามมาพบด้วยบทนั้นบทว่าตรลียังได้แก่เบื้องขวางทรงถือเอารูปประพบด้วยบทนั้นบทว่าอสัมภาทางังได้แก่เว้นจากความคับแคบท่านอธิบายว่ามีขอบเขตอันแตกแล้ว คือไม่มีขอบเขตข้าศึกท่านเรียกชื่อว่าขอบเขตอธิบายว่าเป็นไปในที่ไม่มีขอบเขตนั้นบทว่าอเวรังได้แก่เว้นจากเวนอธิบายว่าเว้นจากความปรากฏแห่งเจตนาก่อเวนแม้ในระหว่างระหว่างบทว่าอาซาปตัง ได้แก่ปราศจาก่าสึกจึงอยู่บุคคลผู้อยู่ด้วยเมตตายอมเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์่าสึกายๆของเขายอมไม่มีด้วยเหตุนั้นมานัตสิ่งที่มีในใจของเขานั้นท่านจึงเรียกว่าอสัปปตตะเพราะปราศจาก่าสึก ก็ ค, คำที่ว่าค่าศึกศัตรูเป็นคำโดยปริยายการพนานาความตามบทมีเท่านี้ส่วนการแสดงความที่ประสงค์ในที่นี้มีดังนี้พึงเจริญขยายเมตตาที่ตรัสไว้ว่าเอวัมปิสัพพูเตสุมานสังภาวะเยอปริมานังดังนี้ แผ่เมตตาที่มีอยู่ในใจไม่มีประมาณให้บรรลุถึงความเจริญงอกงามไพบู์ในโลกทั้งปวงทำอย่างไรคือแผ่เมตตานั้นไปไม่เหลือทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางคือเบื้องบนก็ตั้งแต่พวัคคพรมลงมาเบื้องล่างก็ตั้งแต่อเวจีนรกขึ้นไปเบื้องขวางก็ตั้งแต่ทิศที่เหลือหรือเบื้องบน ก็ได้แก่อรูปธาตุเบื้องล่างก็ได้แก่กามาธาตุเบื้องขวางก็ได้แก่รูปธาตุก็แลเมื่อเจริญเมตตาอยู่อย่างนี้กระทําไม่ให้มีความคับแคนเวรและฆ่าศึกพึงเจริญเมตตานั้นโดยประการที่ไม่มีความคับแคนไม่มีเวรและไม่มีฆ่าศึกหรือว่าเมตตานั้นถึงภาวนาสัมปทา เป็นคุณชื่อว่าไม่ขับแคบเพราะเป็นโอกาสโลกทั้งปวงคือสาิบเอ็ดภพภูมิเป็นคุณชื่อว่าไม่มีค่าศึกเพราะกําจัดความอาฆาตของสัตว์อื่นในตนเสียก็พึงเจริญขยายเมตตาอันมีในใจนั้นที่ไม่ขับแคบที่ไม่มีเวรที่ไม่มีค่าศึกไม่มีประมาณไปในโลกทั้งปวงโดยกําหนดทิศ ท, ทั้งสามคือเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวาง พันานาคถาที่เก้าพระผู้มีพระภาคเจ้ารันทรงแสดงการเจริญเมตตาภาวนาอย่างนี้แล้วเมื่อทรงแสดงความไม่มีอิริยาบทแน่นอนของผู้ประกอบหนึ่งเนืองซึ่งการเจริญเมตตานั้นอยู่จึงตรัสว่าติดทังเจรังเปออาทิทยะดังนี้คถานั้นมีความว่า ผู้เจริญเมตตาม เ, เมื่อเจริญเมตตามีในใจนี้อย่างนี้ไม่ต้องจำกัดอิริยาบถเหมือนอย่างในบาลีว่าน่งขัดสมาธิตั้งกายตรงเมื่อทำการบรรเทาความปวดเมื่อยด้วยอิริยาบทยางใดอย่างหนึ่งตามสบายจะยืนหรือเดินนั่งหรือนอนอย่างเป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนเพียงใดก็พึงตั้งสติในเมตตาชา น, นั้นไวเพียงนั้น อีกในย่าหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงการเจริญเมตตาภาวนาอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อทรงแสดงความเป็นผู้ชำนาญจึงตรัสว่าติดถังเจรังเป็นต้นจริงอยู่ผู้ชำนาญแล้วอย่างประสงค์จะตั้งสติในเมตตาฌานด้วยอิริยาบถเพียงใดจะยืนหรือเดินจะนั่งหรือนอนก็ย่อมได้อีกในย่หนึ่ง ผู้ชำนาญจะยืนหรือเดินจะนั่งหรือนอนเพราะเหตุนั้นการยืนเป็นต้นย่อมไม่ทําอันตรายแก่ผู้นั้นตระหนึ่งเล่าผู้ชํนานาญยังประสงค์จะตั้งสติมั่นไว้ในเมตตาชานี้เพียงใดก็ต้องเป็นผู้ปราศจากความม่วงนอนจึงตั้งสติไว้ได้เพียงนั้นความเนื่อนช้าในเมตตาชานนั้นของผู้นั้นย่อมไม่มีด้วยเหตุนี้จึงตรัสว่า จะยืนหรือเดินนั่งหรือนอนอย่างเป็นผู้ปราศจากความม่วงนอนเพียงใดก็พึงตั้งสตินั้นไว้เพียงนั้นคาถานั้นมีอธิบายดังนี้ผู้ชำนาญพึงเจริญเมตตาที่ตรัสไว้ว่าเมตตันจะสัพพโล ก, กัสมิงมานสังภาวะเยโดยประการที่ผู้ชำนาญไม่จำต้องเอื้อด้วยอิริยาบถ บรรดาอิริยาบทมียืนเป็นต้นหรือถึงอิริยาบทมียืนเป็นต้นยังประสงค์จะตั้งสติในเมตตาฌานนั้นเพียงใดเป็นผู้ประสจากความง่วงนอนแล้วก็พึงตั้งสตินั้นไว้เพียงนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงความเป็นผู้ชำนาญในเมตตาภาวนาอย่างนี้ทรงประกอบภิกษุไว้ในเมตตาวิหาร การอยู่ด้วยเมตตานั้นว่าเอตังสติงอทิเทยะพึงตั้งสตินั้นไว้บัดนี้เมื่อทรงชมเชยการอยู่นั้นจึงตรัสว่าปรมเมตตาวิหารางอิทมาหุคถานั้นมีความว่าการอยู่ด้วยเมตตานี้ใดทรงสรรเสริญตั้งต้นแต่พระพุทธดํารัสว่าสุขีโนวาเคมิโนวาโหณตุ จะเป็นผู้มีสุขหรือมีความเกษมจนถึงพระพุทธดำรัสว่าเอตังสติงอธิธเทยยะผึ่งตั้งสตินั้นไว้เพียงนั้นราษทั้งหลายกล่าวการอยู่นั้นว่าพรห ม, มวิหารการอยู่อย่างพรหมกล่าวการอยู่นั้นว่าเศรษฐวิหารการอยู่อย่างประเสริฐสุดในพระศาสนา คือในธรรมวินัยของพระอริยะนี้เพราะไม่มีโทษในการอยู่อย่างทิพย์อยู่อย่างพรมอยู่อย่างพระอริยะและอยู่โดยอิริยาบถวิหารและการอยู่ด้วยเมตานั้นทำประโยชน์ทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้อื่นเพราะเหตุที่ความสงบติดต่อกันไม่ถูกแทรกแซงฉะนั้นผู้เจริญเมตตายืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดี ยังไม่ง่วงนอนเพียงใดก็พึงตั้งสตินั้นไว้เพียงนั้นพันนาคทถาที่สิบพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงสแสดงเมตตาภาวนาประการต่างๆแก่ภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้แล้วบัดนี้เพราะเหตุที่เมตตาใกล้ต่ออัตตทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตน เราะมีสัตว์เป็นอารมณ์ฉะนั้นเมื่อทรงแสดงการบรรลุอริยภูมิทำเมตตาชานั้นนั่นและให้เป็นบาทแก่ภิกษุเหล่านั้นโดยยกการห้ามการถือทิฏฐิขึ้นนำหน้าจึงทรงจบเทศนาด้วยคาถานี้ว่าทิฏฐิยะจะอนุปคัมมะเป็นต้นคาถานั้นมีความว่าการอยู่ด้วยเมตตาชาิใดทรงสรรเสริญไว้ว่า ประเมตตังวิหารังอิทมาหุปราดทั้งหลายกล่าวการอยู่นั้นว่าพรหมวิหารในพระธรรมวิในนี้ผู้เจริญเมตตาออกจากการอยู่ด้วยเมตตาชา น, นั้นแล้วกําหนดนามธรรมมีวิตกวิจารเป็นต้นในที่นั้นและรูปธรรมตามแนวการกําหนดนามธรรมเหล่านั้นเป็นต้นแล้วกําหนดอารูปธรรม และด้วยการกาหนดนามรูปนี้ก็ไม่ยึดทิฏฐิอย่างนี้ว่านี้กองสังขารอันบริสุทธิ์บุคคลย่อมถือไม่ได้ว่าสัตว์ในสังขานี้ดังนี้เป็นผู้มีศีลโดยโลกุตระศีลตามลำดับถึงพร้อมด้วยทัศนะที่เข้าใจกันว่าสัมมาทิฏฐิในโซดาปติมักซึ่งประกอบด้วยโลกุตระศีลต่อจากนั้นก็นาออกขจัดประงับ ความโงกมุ่นในการทั้งหลายคือกิเลสกามที่ยังละไม่ได้ด้วยการทำให้เบาบางด้วยสกทาคามีมักและอนาคามีมักและด้วยการละไม่ให้เหลือเลยก็ยอมไม่เข้าถึงการนอนในคันมารดาอีกคือไม่ต้องนอนในคันอีกอย่างแน่นอนได้แก่บังเกิดในหมู่เทพชั้นสุทาวาดทั้งหลายบรรลุพระอรหันต์และปาริณิพานในชั้นสุทาวาดนั้นนั่นเอง พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงจบเทศนาอย่างนี้แล้วตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าไปเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอยู่ในราวป่านั้นนั่นแหละและจงเคาะระฆังในวันธรรมสวนะ8ปดวันต่อเดือนแล้วจงสวดพระสูตรนี้จงทำธรรมกาถากล่าวธรรมะสนทนาธรรมอนุโมทนากันจงซ่องเสพ เจริญทำให้มากซึ่งกรรมฐานนี้นี่แหละพวกอมนุษย์แม้เหล่านั้นจะไม่แสดงอารมณ์น่าสะพร่งกลัวนั้นจะเป็นผู้หวังดีหวังประโยชน์แก่พวกเธอแน่แท้ภิกษุเหล่านั้นรับพระพุทธดำรัสแล้วลุกจากอาสนะกราบถวายบังคมแล้วทำประทักศินไปในราวป่านั้นแล้วทำตามที่ทรงสอนทุกประการ เทวดาทั้งหลายเกิดปิติโสมนัสว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายช่างหวังดีหวังประโยชน์แก่พวกเราก็่ากันเก็บกวาดเสนาสนะเองจัดแจงน้ำร้อนนวดหลังนวดเท้าจัดวางอารักขาวไวภิกษุแม้เหล่านั้นก็่ากันเจริญเมตตาทำเมตตานั้นให้เป็นบาทเริ่มวิปัสสนาก็บรุพระอรหัตอันเป็นผลเลิศภายในไตรมารนั้นนั่นเองหมดทุกรูป ปวารณาด้วยวิสุทธิปวารณาในวันมหาปวารณาออกพรรษาแลพระตถาคตผู้เป็นเจ้าแห่งธรรมผู้ทรงฉลาดในประโยชน์ตรัสกรณียเมตสูตรอันมีประโยชน์ด้วยประการชนี้ภิกษุทั้งหลายผู้มีปัญญาบริบูรณ์ได้รับความสงบแห่งหาฤทัยอย่างยิ่งก็บรรลุสันตบทเพราะฉะนั้นแล วินยูชนผู้ประสงค์จะบรรลุสันตบทอันเป็นอมตะที่น่าอัศจรรย์อันพระอริยเจ้ารักอยู่ก็พึงธทรรมกรณียะอันมีประโยชน์ต่างโดยศีลสมาธิปัญญาอันไร้มนทินต่อเนื่องไม่ขาดสายเทินจบอัตถกะถาเมตสูตรแห่งอัตถกะถาขุทกกะปาทะ ชื่อว่าปารมาทโชติกานิคมกะถาด้วยกถามีประมาณเท่านี้ข้าพเจ้ากล่าวคํใดไว้ว่ า, วาข้าพเจ้าไหว้พระรัตนตรัยอันสูงสุดแห่งวัตถุที่ควรไหว้แล้วจากแต่งอัฏฐกรถาแห่งขุตกะปาฐาบางปาฐาในคำนั้นเป็นอันข้าพเจ้าแต่งอัฏฐกรถาแห่งขุตกะปาฐะก้าประเภท คือ 1. สารณะสองสิกขาบท 3. ทวัตติงสาการ 4. กุมารับปัญหา 5. วมงคลละสูตร 6. รัตนสูตร 7. ตดิโรกุตระสูตร 8. นิธิกันทะสูตรและเเมตสูตรด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวคำนี้ว่าข้าพเจ้าประสงค์จะให้พระสัตว์ทำตั้งมั่น จึงแต่งอัตถกถาแห่งขุตกะปาฐานี้ประสบกุศลอันใดขอชนนี้จงพลันบรรลุความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมะที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วเพราะอนุภาพแห่งกุศลอันนั้นอัถกถาแห่งขุตกะปาฐะชื่อปารมัฏถโชติกานี้รจนาโดยพระเถระที่ท่านครูทั้งหลายถวายนามว่าพุทธโคศัก์ ผู้ประดับด้วยคุณคือความบริสุทธิ์ความเชื่อความรู้และความเพียรอันคุณสมุทยัยคือศีลอาจาระอาชวะและมัทวะเป็นต้นดนบันดาลแล้วผู้สามารถยังลงสู่ชัดคือลทัทธิตนและละทัทธิอื่นประกอบด้วยความรู้ความฉลาดผู้มีประภาพคืออำนาจแห่งยานอันไม่มีอะไรขัดขวางในสัตตุศาสตร์อันต่างโดยพระไตรปิฎกปริยติธรรม พร้อมทั้งอัฏฐกถาเป็นมหากวีประกอบด้วยความงามแห่งวจนะอันไพเราะโอฬานที่เปล่งได้สะดวกซึ่งสมบัติคือกอนให้เกิดแล้วโดยมหาวยากรณผู้มีวาทะถูกต้องแตกฉานมีวาทะอันประเสริฐผู้มีความบริสุทธิ์และความรู้อันไพบู์เป็นอลังการแห่งวงของพระเทระทั้งหลายผู้อยู่ในมหาวิหารประทีปแผ่งเทระวง คือเทรวาสซึ่งมีความรู้มั่นคงดีแล้วในธรรมะอันยิ่งของมนุษย์อันประดับด้วยคุณต่างโดยอภิน ญ, ญาหกและปฏิสัมพิธาเป็นต้นคาพีป a r a m a t t h โชติกาอันแสดงนัยยะแห่งวิสุท ธ, ธิมีสีละวิสุท ธ, ธิเป็นต้นแก่กุลบุตรทั้งหลายผู้สแสวงหาการออกจากโลกจงดำรงอยู่ตราบเท่าที่แม้พระนามว่าพุทธะ ของพระผู้มีจิตบริสุทธิ์ผู้คงที่ผู้เจริญที่สุดแห่งโลกผู้ทรงสแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่อย่างเป็นไปอยู่ในโลกเทินจบพระสุตตันตปิฎกฉบับมหมามกุฏราชวิทยาลัยเล่มที่สาสิบ้า